แนะนำบทอัชชัมบทอัชชัมเป็นบทมักกียะห์มี 15 องค์การซึ่งสาธยายถึงเรื่องสําคัญ 2 เรื่องคือ 1 เรื่องของมนุษย์และสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงบังเกิดทั้งความดีและความชั่วแนวทางที่ถูกต้องและทางที่ผิด 2 เรื่องการล่วงละเมิดขอบเขตของชนรุ่นก่อนๆอัลเลาะห์ได้ทรงทําลายล้างพวกเขาอย่างราบคราบบทนี้ได้เริ่มด้วยการสาบานด้วย 7 สิ่งที่อัลเลาะห์ทรงบังเกิดมา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 มนุษย์จะได้รับความสําเร็จและประสบชัยชนะถ้าเขามีความยำเกรงอัลเลาะห์และเขาได้รับความล้มเหลวและขาดทุนถ้าเขาละเมิดขอบเขตและหยิ่งยโสแล้วพระองค์ทรงกล่าวถึงเรื่องของชาวสมุทรกลุ่มชนของนบีซอเลห์เมื่อพวกเขาปฏิเสธรอซูลของพวกเขาพวกเขาละเมิดขอบเขตและก่อความเสียหายบนแผ่นดินพวกเขาได้ฆ่าอูฐซึ่งอัลเลาะห์ทรงบังเกิดมันมาจากหิน เพื่อเป็นปาฏิหาริย์แก่นบีซอละห์อะลัยฮิสสลามเรื่องความหายนะของพวกเขานี้จะยังคงเป็นบทเรียนแก่ผู้มีวิจารณญาณและเป็นแบบอย่างแก่ทุกผู้ปฏิเสธศรัทธาผู้กระทำความชั่วและผู้ปฏิเสธบรรดารอซูลของอัลเลาะห์ต่อๆไปบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอ وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا قَصَابَ بَان เด้อดวงอาทิตย์และแสงสว่างของมัน وَالْقَمَرُ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا และด้วยดวงจันทร์เมื่อโคจรตามหลังมันและด้วยเวลากลางวันเมื่อมันประกายแสงและด้วยเวลากลางคืนเมื่อมันปกคลุมจักรวาล وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا لَذْوَيْ شَنْفَا وَلَأَشْيَاءَ الَّتِي بَرَوْنْ سَوْنَاهَا وَلَأَضْيَافِ الدِّينِ وَالَّتِي بَرَوْنْ سَوْنَاهَا وَلَأَضْيَافِ الدِّينِ وَلَأَضْيَافِ الدِّينِ وَلَأَضْيَافِ الدِّينِ وَلَأَضْيَافِ الدِّينِ และเกิดความยำเกรงก็จะอภิลหะมันซักกาฮาวะกัดคอบะมันดัสซาแน่นอนผู้ขัดเกลาชีวิตย่อมได้รับความสําเร็จและแน่นอนผู้หมกมุ่นด้วยการทําชั่วย่อมล้มเหลวกัซซะบัตษะมูดบิตอวาฮาอิซบะอะอัชกอฮาพวกสมูดได้ปฏิเสธด้วยการละเมิดขอบเขต เมื่อคนเลว 3 ที่สุดของพวกเขาได้รีบรุดไปฆ่าอูฐตัวเมียซะกอลาละฮุมรซูลุลลอฮิลากะตะลลอฮิวะซะกียาฮาแล้วรซูลของอัลเลาะห์จึงกล่าวแก่พวกเขาว่าอย่าทําร้ายอูฐของอัลเลาะห์และอย่าขัดขวางการดื่มของมันซะกะซะบูฟะอักรุฮาฟะดัมดะมะอะลัยฮิมร็อบบุฮุมบิดันบิฮิมฟะซะวาฮา